หรือไม่มีอยู่ในจิตอนหนึ่งโพอดชงทั้ง7ประการที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพอดชงทั้งเจประการที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยข้อความจากมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมานุปัสสนาโพชดชงคะบะพะ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 หรือหลงลืมไปว่ากายใจเป็นอย่างไรแล้วนานๆทีค่อยมานั่งนึกเอาว่าตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่การตั้งสตินั้นยิ่งจงใจออกแรงเพ่งมากขึ้นเท่าไหร่ตัวตนและมโนภาพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นต่อเมื่อออกแรงเพ่งน้อยลงอาการยึดสิ่งที่เพ่งจึงค่อยเบาบางลง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 คือความอิ่มใจและความอิ่มใจในที่นี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับความสมหวังน่าชื่นมื่นแบบกิเลสกิเลสเพราะเป็นความอิ่มใจอันปราศจากเหยื่อล่อแบบโลกโลกกับทั้งไม่ใช่ความปราบลื้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลรำไรในอนาคตอันใกล้เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผล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 ถึงขั้นนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เห็นทรับภายในหน้าปลื้มใจกว่ารับภายนอกยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไรก็เหมือนรับภายในยิ่งเพิ่มยิ่งเอ่อทนล้น อ, อกมากขึ้นเท่านั้นหากปราศ จ, จากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเราย่อมทยานออกไปขวคว้าเหยื่อล่อภายนอกไม่รู้จบรู้สิน้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง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 สุดท้ายไม่มีการได้อะไรให้ใครการเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผานกิเลสว่ามีตัวตนมีคนได้อะไรตังหากจิตที่ถึงมรรคผลจะอยู่ถัดไปอีกไม่นานคุณจะรู้ว่าจิตสามารถลูกโผลงเป็นไฟล้างกิเลสเป็นลูกไฟมหัศจรรย์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 แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามจำหน่าย